องคทรงตรัสรู้ที่จริงก็ขยายสัมมาสัมพุทธะอีกในหนึ่งเท่านั้นเองอนะนะขยายอีกมองคนละมุมมองคนละแหน่งอย่างนะนั้นใครมีอะไรสงสัยไหมออยากเพิ่มเติมถามช่วยคนอื่นให้เข้าใจเพิ่มก็ได้นะบางท่านนี่ฉลาดถามนะเขาถามนะี่ที่จริงเขาก็พอรู้อยู่แล้วล่ะแต่เขาถามเพื่อเกื้อกูลคนอื่นอย่านะ้ เรียกว่าหาเป็นข้อมูลเอาไว้สนธนาปราสายกันนะแต่คนที่เอาเรื่องเหล่านี้ไปตรึกมากๆนะจะมีอะไรให้คิดอีกเยอะเนี่ยนะแล้วก็การตรึกการเพ่งลึกพึ่ง <c oughs> ก็บอกว่าถ้าคนมีความรู้มองอะไรมันก็กว้างขวางแตกฉานไปหมดนะถ้าไม่มีความรู้แหมอะไรมันก็ไม่ลึกไปหมดนะคนที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะดูดอกไม้ดูอะไรดูได้ทั้งวันของเราเนี่ยไปดูตามดูได้เข้าใจดีนะ อ่านพระไตรปิฎกใหม่นี่ทราบซึนไปอีกเยอะนี่ยนะในในหนังสือเล่ม น, นี้นะถ้าอ่านแล้วก็เข้าใจทําความเข้าใจให้ละเอียดละเอาไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านอัตถกาถาใหม่นี่โอ้ยทำไมท่านดีจริงๆลึกซึ้งเหลือเกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ศึกษานะก็ธรรมดาเฉนะยๆเนะนี่ยนะแต่ถ้ามีความเข้าใจมากนะโอ๊้คําเดียวก็ลึกซึ้งไปหมดเนี่ยนะนีนนะ่นิ่งเหมือนพระอริยะเนี่ยนะโอ้เอาคํานี้มาคิดโอ้ลึกซึ้ง ก็บอกว่าถ้าคนมีความรู้มองอะไรมันก็กว้างขวางแตกชานไปหมดนะถ้าไม่มีความรู้แม้อะไรมันก็ไม่ลึกไปหมดนะคนที่มีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะดูดอกมไม้ดูอะไรดูได้ทั้งวันของเราเนี่ยไปดูตามดูได้30นาทีเนี่ยหมดจะดูเลยสวนทั้งสวนนี่ขับรถผ่านแวบเดียวนี่หมดดูไม่รู้จะดูอะไรของเขาเนี่ยโอ้โดอกแล้วดอกเล่าดอกแล้วดอกเล่าดูอยู่ครึ่งวันยังไ ม, ไม่ไม่ดันหมดเลย เออบางคนเขามีศิละปะในการดูแบบนั้นจริงๆรินะชื่นชมไปซะทุกดอกชื่นชมกับต้นไม้ไปทุกต้นไปหมดเลยเออเขาก็เก่งนะคล้ายๆกับผีเสื้อนะบินจากต้นนี้ไปตอมต้นนั้นจากต้นนั้นก็ไปเรื่อยใช่ไหมเพลดิดเพลินอ่ะนะบางคนก็เป็นลักษณะนั้นจริงจงศึกษาพระธรรมก็ในยะเดียวกันบางคนนี่อ่านโอ้ยคร่าวๆคร่าวๆจบไปแล้วถามมารู้อะไรบ้างไหมไม่รู้อ่แต่ก็ยังดีได้อ่านนะนนะ รอบหนึ่งผ่านไปรอบสองเออลึกซึ้งกว่าเก่าอีกหน่อยรอบสามรอบสิบรอบยี่สิบโอ้ทารอบที่ร้อยนี่ได้ดีแน่นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจถามว่าเราจะปฏิบัติอะไรนะถ้าหากว่าเราเข้าใจตั้งแต่ศึกษาไม่เพียงพอเราปฏิบัติเราก็จะไม่รู้จุดหมายปลายทางเลยนะถ้าเราศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่แทงตลอดละเอียดดีพอ เราปฏิบัติไปนะจะห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยอที่กล่าวเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ทิ้งพระพุทธเจ้าไปซะเยอะคือสังเกตดูนะถ้าหากว่าพระโสดาบันเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนที่มั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าแต่แปลกผู้ที่ปฏิบัติมากๆเอ๊ะพูดถึงพระพุทธเจ้าเขาส่วนใหญ่ก็เฉยฉยไม่ไม่รู้สึกปีติปราบปลืม้ม ทราบซึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ไม่ค่อยปีติทราบซึ่งในคุณของพระธรรมไม่ปีติทราบซึ่งในคุณของพระสงฆ์เอแสดงว่าน่าจะห่างโสดาบันไปเรื่อยแล้วงั้นนะอันน้นเราก็เอาไว้สอบทานเทียบเคียงวินิจฉัยด้วยเหมือนกันนะเราก็จะได้กําหนดทิศทางแห่งชีวิตเราถูกต้อ ง, องนะวันนี้เราปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มีศรัทธาก็ เพราะว่าถ้าหากว่าปฏิบัติตามได้จริงๆเนี่ยโหพระพุทธเจ้าสงเคราหเราไปนานแล้วเนี่ยนะแต่นี้ก็แสดงว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดอยู่นะการทนายก็บอกว่าพวกเราแสดงว่าต้องมีผิดพลาดแน่นอนจริงใต้เป็นชื่อว่าตระกูลปะทะประม ะ, ระกัน้นแสดงว่ามีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะนะรู้แล้วก็จะได้มีโอกาสสอบสวนเทียบเคียงใครครวรพิจารณาดูน ะ, ะความผิดพลาดเหล่านั้นเกิดจากอะไร ถ้าหากว่าเรารู้ปัญหาการแก้ไขที่ถูกต้องก็จะมีต่อไปอเหตุรักทรา์เจตนาเป็นเหตุประพฤติผิดในกามไม่มีเจตนาเป็นเหตุมุสาวาตเจตนาเป็นเหตุดื่มสุราและเมรัยก็ไม่ผลที่สุดจะต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มองเห็นอริยสัจว่างั้นมองเห็นอริยรสัจทราบซึิงในคุณพระรัตนไตร แล้วก็ชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็จะเป็นคนที่อยู่ตั้งมั่นอยู่ในศีลเสียชีวิตไม่ยอมเสียศีลให้พระโสดาบันฆ่าไก่พระโสดาบันทำไม่ได้ยอมให้คนฆ่าเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเห็นโทษของบาปของอกุศลจนเจตนาเป็นเหตุฆ่าไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะเจตนาเป็นเหตุรักทรัพย์เจตนาเป็นเหเตเปุหประพฤติผิดในกามไม่มีเจตนาเป็นเหตุมุสาวาด เจตนาเป็นเหตุดื่มสุราและมีไรก็ไม่เกิดเพราะพระโสดาบันเนี่มองเห็นอริยสัจแต่อย่าลืมว่าอริยสัจไม่ใช่ว่าพูดเขาว่าทุกทุกเฉยๆก็พอแต่อริยสัจนั้นคืออะไรคือการประชุมอนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธและนี้ทุกขานิโรธาคาม่มีปฏิปทาถ้าจะจําแนกแกะแงงรายละเอียดอะไรคือทุกตานี่ยแหละเป็นทุกจากขุจากโขสมุทัยจากโุนิโรธ จัคโคนิโรทคามินีปฏิปทาหูโสตโสตสมุทัยโสตนิโรโสตนิโรทคามินีปฏิปทาจมูกคือคานาคานสมุทัยคานนิโรตคานนิโรทคามินีปฏิปทาชิวหาลิ้นชิวหาชิวหาสมุทัยชิวหานิโรตชิวหานิโรทคามินีปฏิปทากายกายนี่คืออะไรกายคือผมคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นคือกระดูกเจ้าในกระดูก ก็สามารถประชุมมาเกษาผมเนี่ยนะเกส า, นะ เ, กสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธาคา ม, มินีปฏิปทาหรือแม้กระทั่งประชุมเกสานี่นะคืออาการ42ส่วนใหญ่เราจะเรียกอาการ32บวกธาตุดินกับธาตุลมเข้าไปอีกก็จะเป็น42ท่สิบองธาตุธาตุไฟมีเท่าไหร่ธาตุไฟ4ีธาตุลมหกข้อสุดท้ายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก เนี่ยนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ประชุมลงอริยสัจได้นะเพราะว่าเขากาหนดอาณาปานาสติแล้วประชุมลงอริยสัจบรรลุทํรได้เนี่ยนะอันถ้ารู้จริงก็กายกายคือลมหายใจเข้ากายคือลมหายใจออกก็ประชุมกายคือลมหายใจเข้าหายใจออกลงอริยสัจได้ประชุมจิตประชุมนามความรู้สึกนึกคิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทามันก็ต้องมีการแทงตลอดอริยสัตว์เหล่านี้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพอพระพุทธเจ้าแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ นะพอองษ์จึงบรรลุเป็นพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้เพื่อตรัสรู้ตามพระองค์ท่านใหม่ๆก็เป็นสุตตพุทธเะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังทีนี้นานๆเข้าถ้าศึกษาปฏิบัติถูกต้องก็เป็นสาวกพุทธะเพราะมองเห็นอริยสัจ ต, ต, ตามพระพุทธเจ้านานๆยังให ถ้าเราบรรลุชาตินี้นะถ้ายัางไงก็เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามและอุเบกขาก็ตามานี่นะสิ่งเหล่านี้ควรรู้ถ้าไม่ใช่เธอแบบปัญญาที่ทรงจำธรรมที่สาวกอยู่ดิแต่ปัญหาสําคัญที่สุดนะสุตตะคือฟังให้เข้าใจให้เพียงพอโโตาวะธานีสุตสตะมเยยานางังปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตะมเยยานถามว่าเป็นอย่างไร ปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรรู้ยิ่งถามว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรจักขุควรรู้ยิ่งโสตะควรรู้ยิ่งคานะชิวหากายมโนควรรู้ยิ่งจักขุรวบจักขุวิญญาณควรรู้ยิ่งจักขุสัมผัสควรรู้ยิ่งจักขุสัมภัสชาเวทนาควรรู้ยิ่งทั้งที่เป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามและอุเบกขาก็ตามเนะสิ่งเหล่านี้ควรรู้ยิ่ง แล้วยังไม่พอนะแบบปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรกาหนดรู้ควรจักขูควรกาหนดรู้สีควรกาหนดรู้จักขูวิญญาณควรกาหนดรู้จักขูสัมผัสควรกาหนดรู้จักขูสัมผัสชาเวทนาควรกาหนดรู้ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรละอะไรควรละจักขูควรละ สีควรละจากขควิญญาณควรละจากขคสัมผัสควรละจากโคสัมผัสชาวเวทนาควรละปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งสัชิกาตพะควรทําให้แจ้งอะไรควรทําให้แจ้งจากโคควรทําให้แจ้งสีควรทําให้แจ้งจากขควิญญาณควรทําให้แจ้งจากโคสัมผัสควรทําให้แจ้งเวทนาสามก็ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนี่ยนะ ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่าธําเหล่านี้ควรเจริญเนี่ยนะก็คือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วว่านี้เป็นไปส่วนแห่งความเสื่อมนี้เป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่นี้เป็นส่วนแห่งความเจริญขึ้นนี้เป็นส่วนแห่งการชําแรกกิเลสเห็นการที่จะนาไข้ครวนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อการชําแรกกิเลสแล้วก็ ปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแล้วว่าสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกขสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาอะไรอะไรคือสังขารก็ตาหูจมูกเล่นกายใจนี่แหละเป็นสังขารสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสังขารเพราะเป็นทุกเรียกว่าธรรมะด้วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาแล้วพระองค์ก็ แสดงอีกว่านี้ปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ววันนี้ทุกขาริยสัตว์นี้ทุกขสัมมุทัยนี้ทุกขาททนิโรดนี้ทุกขานิโร ธ, าโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ธรรมะสิหัวข้อเนี่ยนะชื่อว่าสุตะมิยะญาณเพราะนั้นเราศึกษาอย่างนี้ก็ศึกษาตามสุตะให้เข้าใจทีนี้เมื่อฟังแล้วก็สามารถแยกแยะว่าเออนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทําให้ ทีนี้เมื่อสังวรแล้วก็ตั้งมั่นตั้งมั่นตามนั้นแหละเรียกว่าสมาธิภาวนามยญาณแล้วก็จะเป็นธรรมทิติญาณรู้เรื่องของปัจจัยสัมมาสนาญาณเกิดการใคร่ครดุทยพยาญานเห็นเหตุเกิดและความดับนะนี้โรธคามินีปฏิปทาเมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วนะปัญญาที่สังวรตามที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าีลมยญาณเมื่อมีความเข้าใจแล้วสังวรห้า นะปัจลสังวรหรือปาติโมกขสังวรอินรียสังวรสติสังวรเนี่ยนะยานสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเมื่อมีสังวรตามธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วนั่นแหละชื่อว่าศีรมยยานทีนี้เมื่อสังวรแล้วก็ตั้งมั่นอ่าตั้งมั่นตามนั้นแหละเรียกว่าสมาธิภาวนามยยานแล้วก็จะเป็นธรรมะทิติยานรู้เรื่องของปัจจัยสัมมสนาญาณเกิดการใคร่กรดหรือทยพยาน เห็นเหตุเกิดและความดับนะพังคยานนะเห็นแต่ความดับหรือว่าวิปัสนาญาณพยตูปทานายานสังขารุเปกขาญาณเป็นต้นไปจนถึงนิพิธายานอาทีนวายานอนุโลมยานโคตรภูยานมขยานพลยานปัจเจเวกขณะญาณวัตถุนานัตตยานเนี่ยนะญาณ72หรือญาณ73ก็ไล่ขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้จนถึงสัพพัญยุตยานอนาวารณญญาณ นะพระท่านแสดงมาในปฏิสัมพิธามักเรื่องยานต่างๆก็จะไล่ไปตามลําดับอย่างนี้อันนั้นหากว่าสุ ต, ตมายาญาณการฟังเป็นต้นไม่เข้าใจแล้วโอยอย่างอื่นจะไปเอาอยัางไงมาจะขอรัดๆหน่อยได้ไหมโอ้ยอนุปปะสิกขาอนุปปะกิริยาอนุปปภปฏิปทาในพระพุทธศาสนานั้นมีสิกขาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีปฏิปทาโดยลําดับ ไม่ใช่ก็ปุบกระโดดถึงพัดทันทีเลยเหมือนกบนี่ไม่ใช่ผู้ศาสนาไม่ใช่ศาสนากบที่จะกระโดดทวดแล้วถึงเลยแต่มีคําสอนที่มีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับและมีปฏิปทาโดยลําดับนะการตั้งในอรหัตผลก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นันของเราก็รียบยังไงก็รีบไม่น่าเอารีบเอาไปท่องหนังสือเอาไปจำเลยเรีบตีเอาตําราไปท่องเลยเอาพระไตรปิฎกไปท่องเลย เมื่อท่องพระไตรปิฎกได้แล้วทำยังไงต่อไปอ้าวคุณก็มีคนบอกทางแล้วก็ทําตามอย่างที่พระไตรปิฎกบอกนั่นแหละพระไตรปิฎกบอ ก, กยังไงก็ทําตามอย่างนั้นแหละคนที่ทําตามในลักษณะนี้ชื่อว่าทำมังสรนังคะฉามิมีสาระเป็นที่ไปในเบื้องหน้าท่านบอกยังไงก็ศึกษาตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นแหละทําได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กําลังของเราโหถ้ามีปัญญามากนั่นแหละทําได้เท่าภาษาลิบุตรนั่นแหละ แต่นี้ปัญญาเราคงไม่ถึงมั้งเนะเาะอ้าวปัญญาไม่ถึงแต่ก็มีศรัทธาก็เอาละก็สังขารทั้งหมดดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนั่นแหละคำว่าสัตว์ในที่นี้ได้แก่ปัจจุบันอาหารเป็นชื่อของปัจจัยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยเราเรียกกันว่าสัตว์ตรงนี้นะสัตว์สัตว์ไม่ใช่หมายหมายถึงนายกนายขอนะคะว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสังขารธรรม สังขารธรรมทุกอย่างดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยคำว่าอาหารนั้นเป็นชื่อของปัจจัยอาหารปัจจัยสมุทัยนิทานเหตุแดนเกิดปัพภาวะพวกนี้เป็นชื่อของปัจจัยทั้งนั้นแหละอาศัยเจตนากรรมในอดีตนั่นแหละซัดให้ไปอยู่ในภพนั้นพอสิ้นปัจจัยก็หมดเหมือนกับถ้าเคยเห็นนะอีสานก็ทําบั้งไฟนะเป็นสัตว์นายกนขอนะแต่เป็นชื่อของสังขารธรรม สังขารธรรมแม้แต่อสัญญาสตาพรหมก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้าไม่มีเจตนาคืออะไรนะนามสัญญาวิราคะนะถ้าไม่มีเจตนาที่ได้ฌานที่สี่แล้วตั้งตั้งความเบื่อหน่ายในนามนะอสัญญาสตาก็เกิดไม่ได้แต่ว่าอาศัยมโนสัญเจตนาหารนั่นแหละ อาศัยเจตนากรรมในอดีตนั่นแหละซัดให้ไปอยู่ในภพนั้นนะพอสิ้นปัจจัยก็หมดเหมือนกับถ้าเคยเห็นนะอิสานก็ททำบั้งไฟนะมันแล้วแต่ชนวนจุดขึ้นไปนี่นนะถ้าชนวนมันมอบ ก, ก็สามารถมันขึ้นลอยอยู่ในอากาศได้นานแต่ถ้าหมดเชื้อหมดปัจจัยก็ตกลงมาอสัญญาสัตว์ก็ลักษณะนั้นมันเป็นธรรมะที่ดารงอยู่ด้วยปัจจัยเหมือนกัน 5้าอมหากัปนะแต่ก็เทียบกับสังสารวัตซึ่งมันยาวเลอกเกินก็ที่พักชั่วคราวใช่ไหมสังสารวัตหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้กัห้าร้อยมหากัปก็ชั่วคราวคือสัญญาเนี่ยนะเน้นสัญญาหกจะยินนะรูปประสัญญาสัญญาก็คือความสำคัญหมายความจำหรือความสำคัญหมายอ่ ความจำหรือความสำคัญหมายเนี่ยนะเรียกว่าสัญญามีหกอย่างถ้าสำคัญหมายในสีเรียกว่ารูปสัญญาสำคัญหมายเนีสำคัญหมายในเสียงเรียกว่าสัทธสัญญาสำคัญหมายในกลิ่นเรียกว่าคันทสัญญาสำคัญหมายในรสเรียกว่าระสสัญญาสำคัญหมายในโพธภาเรียกว่าโพธภาษาสัญญาสำคัญหมายในธรรมรมเรียกว่าธรรมสัญญา ในสัญญาทั้งหกเหล่านี้เนี่ยนะมีอะไรเป็นปัจจัยสัญญามีภาษะเป็นปัจจั ย, น, ยนะนะสัญญาทั้งหมดมีภาษาเป็นปัจจัยอย่างเช่ น, จ, น จ, จั๊กู่ปป ส, ญญ ส, สัมผัสเป็นปัจจัยแก่รูปปรสสัญญาโสตตสัมผัสเป็นปัจจัยแก่สัทธสัญญาเนี่ยนะความจำในเสียงเป็นต้นเนี่ยนะอ่ พวกสัญญาเนี่ยเกิดจากภาษะเป็นปัจจัยถ้าหากว่าเราจะเพ่งสัญญาให้ปรากฏมากๆเราก็ต้องอศึกษาเรื่องภาษาให้เข้าใจให้พอในภาษะในทวารทั้ง6 ก, กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจถึงภาษะดีก็ต้องเข้าใจถึงธรรมะสมอย่างประชุมกันนะฉะนั้นสัญญาขันเนี่ยนะก็นับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้ง ถ้าโดยอนุปสัสนาโดยสติปัฏฐานเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต่อไป